รังธรรเน่าห่านความหนาวเราหนาวคนอื่นก็หนาวเหมือนกันกับเราเราหิวคนอื่นก็หิวเหมือนกันกับเราเราร้อนคนอื่นก็ร้อนเหมือนกันกับเรา อ้ายทายอย่างเออจะทุกอย่างเหมือนเหมือนกันเกี่ยวกับวัตถุไฟต้องอกไยหน่อยเราเก็บคนก็เก็บเหมือนกันเราตายคนหนึ่งก็ตายเหมือนกั น, น, น, กนแต่ว่าชีวิตเรานี่มีสิ่งที่หลุดพ้นอยู่ เกี๋ยวกับเหตุปัจจัยใจให้เป็น่นเกเราหนาวเรามีผ้าห่มเราห่มผ้าเราอุ่นแล้วเราก็คิดถึงคนที่หนาวอันนี้เป็นส่วนที่เราทิ้งกันไม่ได้จึงมีการช่วยเหลือกันในมใจตรงนี้ เราหิวเราอิ่มแล้วคิดถึงคนที่หิวยังไม่อิ่มอันนี้เป็นคถามของชวิตที่ขาดไม่ได้เวลาเราทุกเราพ้นทุกคิดถึงคนอื่นที่ทุกเขาไม่รู้จักการพ้นออกจากทุกอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะทิ้งกันไม่ได้ จึงเกี่ยวข้องกันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเช่นนี้เรียกว่าคุณธรรมหรือว่าศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ค้ำจูนอยู่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้โลกอยู่ได้ด้วยธรรมคนเราก็ต่างกันอยู่ นั่นจึงบอกการสอนการมีวิธีบอกมีวิธีสอนอันที่ถูกที่ผิดแต่ส่วนร่างกายนี่รู้จกเอาเองได้ช่วยตัวเองเป็นในบางโอกาส แต่บางทีก็ช่วยเองไม่ได้ในบางโอกาสเช่นความเจ็บป่วยควมหิวก็รู้จักหากินกวามหนาวก็รู้จักแก้นหน่องเราพอจะช่วยได้ช่วยเองได้ในบางโอกาสในบางคนบางคนก็ช่วยไม่ได้ ในความทุกใจนี่ไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องฝึกหัดเองเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจในความหนาวในความหิวในความเจ็บความปวดมันมีสิ่งที่เหนือกว่าความหนาวความหิวความเจ็บความปวด อันนี้เรียกว่าคุณธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแม้ได้อยู่กับอาการที่มันเกิดกับกายกับโลกเห็นโลกอย่างแฉบแจ้งตามความเป็นจริงแล้วชิมต่างมาเป็นสุกมเป็นทุกข์ ความเห็นแจ้งชีวิตที่ไม่เฉียงชีวิตที่มาสถานวันไหนก็คือวันนี้เวลาไหนก็คือเวลานี้เวลานี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอะไรกับเวลานี้ต้องหลัดตนโสนตนชีวิตไม่มีอดีตไม่มีอนาคตชีวิตเป็นปัจจุตังเป็นปัจจุบันชีวิตไม่เฉียง ชีวิตเหนือกรรมไม่มีกรรมอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้นี่ถูว่าคุณภาพมาัดฐานของมีของชีวิตเราเราจึงต้องถือโอกาสในขณะที่มีชีวิตนี้เพื่อการนี้ฝึกตนสอนตน มาให้เราฝึกมันมีให้เราฝึกเกิมหนาวก็ให้เราฝึ ก, กจิตวิญญาณความรลองก็ทำให้เราฝึ ก, กจิตวิญญาณก็เร่มจากความหลงทาให้เราได้ฝึกแบบนี้ความทุกข์ก็ทำให้เราได้ฝึก ถ้ามีความสุขก็ทําให้เราได้ฝึกถ้ามีความโกรธโลภหลงก็ทําให้เราได้ฝึกถ้ามีกิเกลสดันหาหลาคาเป็นจดิตนิไสก็ทําให้เราได้ฝึกถ้าเราไม่ฝึกในเหตุการณ์เช่นนี้แล้วก็เสื่อมชีวิตเสื่อมชีวิตไม่มีค่าชีวิตที่ใช้ไม่ได้เป็นชีวิตที่อับทับ นักคนจนวันเธอหิวก็ไม่มีข้าวจิ้นวลาอหนาวก็ไม่มีผ้าห่มแต่นั่นมันจนแบบยากจนทุกข์เล่ยเฉินใจแต่นั่นคือเป็นจนแต่ทั้งฝึกหัดจิตวิญญาณนี่ไม่มีโอกาสจน อย่าให้ความจนในทนันในขณ ะ, ะที่มันหลงอย่าให้หลงเป็นหลงอย่าให้จนในขณ ะ, ะที่มันทุกข์อย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์ให้มีสติฝึกเก็บไว้ฝุกตันเอาไว้ให้มีโอกาสได้ใช้มีสติก็ได้ใช้สติถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้ใช้สติ เกิดหลงก็หลงเกิดทุกข์ก็ทุกข์เกิดเลยก็เป็นไปเลยถ้ามีสติมันก็ไม่เปลี่ยนไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมให้เกิดความเป็นธรรมถ้ามีสติช่วยได้ทุกกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดกายเกัดใจไม่เหมือนมี ซับที่เงินทองจะได้เป็นบางโอกาสก็าจึงควรจะมีสองอย่างซับภายนอกซับภายในซับภายในนี่สำคัญยิ่งและมีแต่ซับภายนอกก็ช่ไหมถึงไหน ยิ่งทำให้เราบกค้องเป็นธาตุความอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบือ่อไม่รู้จักพอแต่ถ้าภายในนี่มันเต็มมันเต็มมันมี เช่นความไม่เป็นอะไรมันเต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรหรือความว่างาเต็มว่างจาความเป็นอะไรเต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรกับอะไรจะเรียกว่าว่างจะเรียกว่าเต็มก็ได้ไม่มีอะไรที่จะให้เป็นเพามันไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว แัะในชีวิตที่เหนือโลกรูปโลกในนามโลกนี่เหนือโดยวิธีนี้เป็นสมบัติของชีวิตเป็นมาตสถานของชีวิตเราจึงต้องฝึกตนสอนตนในด้านนี้มันจงจะคุ้มค่าที่มีรูปมีนามมีกายมีใจ กาเราไม่เอากายเอาใจมาฝึ ก, กมันก็เกิดใจเจกิตายไปฟรีๆกันหนึ่งก็ผ่านไปฟรีๆไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ฝึกตนสอนตนไม่ได้ประสบการ์ไม่ได้บทเรียนจากกาจากใจกายใจนี่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยนั่นทำให้เราเลย ธาโดยหลงได้ไ ด, ได้มีปัญญาเหตุปัจจัยทำไมเราเกิดปัญญาจบนึบกั็ว่ามันหนาวมีอะไรจึดเนิดความหนาวมีแผ่นพ้ามีอากาศมีแผ่นดินมีก้อนเมฆมีอุณหภูมิ มีรูปมีกายเกี่ยวข้องกันโลกมีสองโลกโอกาสโลกของฟ้าแผ่นดินสังขานโลกรูปโลกคือรูปคือนามคือกายคือใจเกี่ยวข้องกับโลกตัวนี้รูปโลกสังขานโลกเก็บล เกบหายพระร้อนเพระหนาวเพวันเวลาวันเวลามันเกินรูปโลกนี่ที่มีธาตสีขันหนานี่มันเกืนกินไปมันเป็นยากใหญ่วันเวลาผ่านไปเท่าไหร่ชีวิตก็หมดไปเท่านั้นแล้วก็กินตัวมันเอง เราจึงมากืนเวลาเราจึงมากินเวลาใ้เวลามันกินเรานหนึ่งนาทีหนึ่งวิ น, นาทีหนึ่งเราก็ได้เวลาสร้างชีวิตได้ชีวิตมีเวลาเท่าไหร่ก็ได้ชีวิตเท่านั้นไม่พลาดเห็เรามีความรู้สึกตัวเวลา ที่มันอะไรที่มันเกิดขึ้นจะมีปัจจัยเราก็รู้สึกตัวนี่ว่าเรากินเวลาความเจริญเติบโตในดอนกืนกินเวลานี่มันเป็นมากเป็นผลเืินเหนือเกิดเจียเจ็บตายจริงท้างหัดตนสอนตนพิธีหัดก็อาศัยกรรมาฐานตามที่พูดเจ้าได้ฝึกหัด ทำให้เกิดเป็นพืชเจ้าขึ้นมามีเหมือนกันหมดมีลูกก็รลูกเหมือนกันมีนามก็มีเหมือนกันความหลงกันเดียวกันความทุกข์กันเดียวกันความกรดความคิดฝุ่งฟ่านเดียวกันเ จ, จ็บไข้ได้ป่วยเกิดเจ็บจบตายเหมือนกันเราเจียงเ่านี้เลยมาฝึก เกิมันหลงก็จะรู้หลงในฝึกในขนาดที่มันหลงในมีความรู้ขนาะที่มันหลงในมีความรู้ขนาะที่มันทุกในมีความรู้ขนาะที่มันร้อนมันหนาวมันเก็บมันปวดนี่คือชีวิตชีวิตไปเท่า น, น, น่าชีวิตตอนที่มันไม่มีไม่เป็นชีวิตนั่นแหละ ในความหลงไม่ใช่ชีวิตในความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตหมดเป็นเล่าชีวิตชีวิตเมอนจึงอยู่ที่ตรงนั้นตามหลักอริยสัจสี่เห็นวันทุกข์ในเป็นผู้ทุกข์พ้นทุกข์เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่ทาเหตุดันอีกพ้นจากเหตุดันแล้วเห็นควาทุกข์ กลัมไม่ทุกตก้องการเห็นแจ้งถึงรู้จุกเตือกเป็นกลัทุกไม่ถูกต้องกลวไม่ทุกถูกต้องที่ว่านีนโลดทาให้แจ้งไม่หลงตรงที่มันมืดไม่หลงในะตรงที่มันหลงในโลดไม่ใช่หลดต้นหัวเหินไปไหนในหลงเห็นไม่หลงความหลงกับคลัวไม่หลงเถีงกันอยู่เห็นแจ้งจริง มหลงไม่ถูกต้องจริงๆควรไม่หลงถูกต้องจริงๆยืนหยัดเป็นปสมมาจดจะ่ะเป็นสมมติบัญญัติชำผั ด, ด้วยชีวิตที่้นฝึกหัดนี่คือนิโรธมักก็คือพยายามดูให้เรื่อยๆให้เห็นทำบ่อยๆทำให้มากรู้ให้มากทีใดทีนั่น เด๋ให้คลาดแคลนหลวงทีใดลู่ที่นั่นเดี๋วมักต้องให้เจริญในความลู่เจริญในความผิดในขณะที่มันผิดเป็นความไม่ผิดเอาความผิดเป็นความเจริญในความไม่ผิดเมื่อเราเรียนหนังสือเอาบทเรียนเอาโจทย์โดยปัญหามาเป็นปัญญา เกิดผ่านได้เลื่อนชั้นเลื่อนถานะนะเกรดดีเนื้อเกรดมันดีก็เข้าสูงเรียนเข้าสูงขึ้นไปง่ายเดินเข้ามหาวิเลยได้ไม่ต้องสอบเกรดดีของคุณธรรมผ่านถึงพระรีบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งได้หลงเป็นลู่ทุกเป็นลู่เกรดมันดี ไม่ใช่ฝึกนสะสาโหตรงนี้นี่ไม่ใช่เชื่อชาติไม่ใช่เลือดเนื้อเชื่อขายจากที่ใดที่การปรื่จากการฝึกหัดจะเป็นคนชาติใดวันน้าใดฝึกได้เหมือนกันถ้าฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้ หยิ่งเป็นชายเป็นนะ้าเป็นสงเป็นคนแก่คนหนุ่มอยี๋ยเอามาอ้างฝึกอ่างนี้คนหนุ่มลหมลงก็เหมือนกันคนแก่ห ล, ลงก็เหมือนกันพระหลงก็โยมหลงก็เหมือนกันไม่ใช่อ้างว่าแกว่าหนุ่มจึงต้องฝึก หัดตัวเองถ้ามันตืดด่นดีได้ประโยชน์จากความหลงมันจึงเลื่อนชั้นได้เลื่อนเป็นควมไม่หลงเลื่อนเป็นพระเลื่อนเป็นมรุเลื่อนเป็นผลไปได้มันเกิดจากปฏิบัติแบบนี้สร้างนาคสร้างขนรวมลู่มือนกานท่องจง มันก็สาธยอยมันก็การลำดับล ำ, ำลําเมื่อโหลอท่องนอหนังสือน้าบ่อยๆก็ติดปากจำได้จดงนท่องไปทาองจิตวิญญาณคือลู่นี่มันก็จำได้มันติดจิตวิญญาณ ก็มันติดลูกเพื่อไม่ลูกก็หมดไปก็เป็นตัวที่เฉลยได้ทุกอย่างรวมรู้จักตัวนี่เป็นสมบัติของกายของใจเป็นสมบัติของลูกของนามใจลูกใจนามที่มันเป็นทุกเป็นโทษลูปโลกนามโลกให้มันพ่นจากโลกนี่คือการฝึกตนสอนตน อยี๋อยู่เฉยถ้าไม่เตรียมเพิม่มัวผาดทุกทีเหมือนนักลบไี่เตรียมพพ้อมปวดาดเจี๊ยบเกียบข้าศึกได้ก่อนที่เป็นนักลบเป็นนักกีฬาต้องฝึกซ้อมให้คล่องตัว แศิเป็นศินลปะก็ฝึกตนเองเพื่อแสดงก็จะได้แสดงมีความแสดงจนละครพระเอกที่เป็นพระเอกได้ก็ต้องสู้อะไรจรึงเป็นพระเอกนางเอกสู้อะไรก็ฝันทุกฝันยากอะไรจึงได้ว่าพระเอกไม่ใช่พระเอกขี่ม้าขาว มมาากมจนรอดล้มรอดตายยังไปใช่เอกได้ชีวิตของเราที่เป็นเอกเอตตะทะเขนี่มันต้องฝึกตัวจะเป็นหนึ่งมันต้องฝึกจอมันเป็นมากมากในจิตใจเราก็มีหลายอย่างมีกิเลส 1,500 ้าตันหา 108. นร้อยแปฝึก มันเป็นหนึ่งรูจนมาเป็นหนึ่งรูแล้วรูแล้วรูแล้วรูแล้วอลไรเกิดขึ้นกับรูแล้วรูแล้วรูแล้วเป็นหนึ่งเอตัคคะไม่แบ่งไม่ถูกแบ่งถ้ายินดีให้ยินร้อยให้พอใจไม่พอใจ จ, จำเป็นดึงรูรูรูนี่คือเราฝึกไว้ในเชิงมาจำเป็นต้องสร้างรูปแบบเหมือนนิมิตมันกเราท่องหนังสือหนังสืออยู่ในตำราเดี๋ยนีหนังสือมันอยู่กับเราเราท่องได้แล้วปีไหนบรรยัติสองรอยยข้ อ, ขอท่องได้หมด มีใครมาถามวมาทาอย่างนี้เป็นยังไงผิดอะไรจะบอสิกขาปทดใจเอ า, าบัดาาข้อได้ออได้แต่ก่อนอยู่ในหนังสือเดี๋ยวนี้มาอยู่ในกลุมลูึจตัวของเราว่าจะว่าก็อ่านว่าไปไเลยเลยจิกขาบทไหนว่าอย่างไรอนนั้นเป็นภายนอกภายในเขาเราเนย เรียนจะมังก็มันหลงได้ลูกนั่นแหะได้เรียนแล้วเดียนหลงเป็นลูกเดียนทุกเป็นลูกให้เป็นลูกให้เป็นลูกให้เป็นลูกอ่าลูกไม่ได้กลับมาหาลูกแบบเคลื่อนไหวมือช่วยเป็นเหมือนกับเราดูหนังสือได้ช่องไม่ได้จะไม่ผิดไปเปิดตํารา ด, ดูโอ ดูรอบดึงโลรอบก็บผ่านไปได้ถ้าทำบ่อยยจะชำนานทดลองดูจะอ่านภาษาจิดสามรอบจะติดปากไหมไล้าเรามันมันพร้อมนะเ่งท่องภาษิดนักท่ชั้นอีกจะไปโศก จะเอ า, าสิทธิ์ให้ได้สัก1ิบข้อลองดูจิสามโลกจะได้จำได้ไหมโลบหนึ่งใจใจดีๆถ้ามีสมาธิฝึกไปก่อนแล้วมันติดง่ายมันติดง่ายรวมจำมันติดง่าย ถ้าไม่เคยฝึกสมาธิความจำติดไม่ได้ก็เราก็หลงว่าเราก็หลงคําว่ า, าถานที่เราฝึกเนี่ยมันก็เป็นการจำทางจิตวิญญาณไม่ใช่เกียรติคานคนเกียดติานมันก็ท่องอะไรไม่ได้ปึกเอว่าอะไรได้แต่เราท่องอยู่ข้อเดียวเองเกลียดไม่ดี ไม่มีส่วนล่วงยกแต่มือเฉยๆไม่มีความรู้ควมหลงมาทีไรก็เป็นหลงไปควมทุกมาที่เด็กเป็นทุกไปบึกอย่างคนปึกเป็นอย่างไ น, นพอใจไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจคนปึกหนาสาะโอดู้ได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจคนปึก ตัวปุถุปุถุชนตนที่จะเป็นอรเรียบบุคคลตรงนี้เป็นพระโสดาบันเลอะอะได้ารสกายาทิฏฐิไม่หลงกายดึกขาดจริงห น, นที่เกิดกับกายไม่มีไม่มีตนในกายเพราะอะไรเขาฝึกไงจิงเป็นพระเรียบบุคคลชั่นต้นอย่นี้ เห็นกายจว่ากายไม่ใช่จตุคคลเห็นโอนไม่เป็นผู้โลนเห็นหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวเขาไม่มีตนในความหนาวก็ไม่มีตนในความโอนก็ไม่มีตนในความหิวจึงเป็นพระเรียบบุคคลได้ถ้าใครมีหนาวเป็นหนาวเป็นตัวเป็นตนผู้หนาวเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ เป็นสุขก็เป็นสุขเป็นตัวผู้สุขมีตัวตนเป็นสุขมีตัวตนเป็นทุกข์เป็นพระเยบุคคลไม่ได้เห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุข้นเจ้ากรมสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์คนเจ้ากรมทุกข์ต่อโสดบัญเบื้องต้นจักขยทิฏฐิไม่มีตัวในไม่มีตนในกาย พิจิตติฉาไม่หลังเดชสงสัยเห็นหลงไม่ถูกต้องก็ไม่หลงถูกต้องทุกไม่ถูกต้องก็ไม่ทุกถูกต้องไม่สงสัยให้อิจฉาทําไมทําไมไม่มีไม่เคยไม่ไม่ต้องพูดทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมัน่าจะเป็นนี้วิสัยของพระอยู่คนเบื้องต้นไม่มีคําพูดจะไม่มีแบบนี้นี่เถอะอืมเข้าใจแล้ว เป็นเช่นนั่นเองวิจิจชะถีปะตปะบรสหไ์ไม่เอาไม่เอาจริงเอาเทสกับจิงอื่นภายนอกนอกจากตัวปฏิบัตินล้ปฏิบัติเอาเข็นมีสติไม่เอนอื่นมันตวต่อรองเหตุที่มันหลงเพราะไม่รู้ไม่ถือวิมันเลืกงามยามดีไม่มีเชื่อมั่นในการปฏิบัติมีชทตาไม่หวั่นไหว ทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่สีพัตตปาละมาต์เชื่อมั่นในการกระทําเพราะหลงมันไม่รู้เพราะรู้มันจึงไม่หลงเวลาใด้เนหลงแสดงว่าไม่รู้ไม่ไปโทษไปภัยอื่นไม่ไปโทษคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นเช่นเพื่อนสมัยปฏิบัติอยู่วัดป่าพุทธยอด เหมือนใกล้าทางรถมันก็เป็นมมเป็นวัดที่อยู่โมสูงๆเวลารถวิ่งง้นขึ้นโมมันก็ดองไปเดินจกโกมหยุดกระติของท่านอยู่ใกล้กาทางรถท่าก็โกรธรถบางทีบอกแดนองก้นดินไปข่วงรถเหมือนบ้าไปนั่นเลยว่า ชีพัตต์ปรมาทัเอาผิดจากกันดื่นเอาผิดจากเสียงเสียงมาเป็นเรื่องที่ทำให้เราหลงไม่ใช่ชี้พัตต์ปรมาทไปเป็นเช่นนั้นมันหลงอยู่ที่เราไม่รู้ศึกษาปฏิบัติกับจริงที่มันไม่ให้โอกาสยิ่งเก่งในสนามลบ ใเรามันเฉียงรดมาลู่จึกตัวกลับมาให้ไายมาลู่จึกตัวให้มันเก่งตัวนั้นเก่งตัวนั้นเก่งตัวนั้นมีคนมาถามเก่งตรงนั้นลองจอ น, ออนลองจอหลวงพี่หลวง พ, งพี่มีเข็ยนแบบผ้าไหมไม่ได้ถือว่าเรากําลังปฏิบัติไม่ถือว่าเขาหมดลู ก, กวนบอกแล้วไม่อยากไปเกี่ยวข้องจะมาถามอยู่ มาที่คิดแ บ, บ น, นก็ฝึกอืขอถอมเลิกเขียนยาปลาก็มีสติตรง น, นั้นลูกไปแบบมีสติไปจับบอลเขียนเอาได้มาให้โดยไม่พูดจงังคำมีสติเต็มที่ไม่ได้ว่าขีดไม่ได้ว่าหยุดความเพียนตรง น, นั้นมีสติแก็เฉงตรง น, นั้น ไม่ใช่เป็นขาดลงต้นนั้นโตเนื่องโตเนื่องสิ่งใดที่ทําให้หลงไม่หลงตรงที่สิ่งที่ทําให้หลงนี่คือเรื่องสีรับตาปลมาตไม่เอาเหตุเอาปัจจัยภายนอกมาทําให้เราเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกผิดทุกมันอยู่กับเรสุขทุกข์มันอยู่กับเราคนอื่นสิ่งอื่นวัตถลอื่นไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ ความหนาวไม่ทําหเราเป็นทุกข์ได้ความร้อนไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ความอิ่มความหิวก ม, มทําเราเป็นสุขเป็นทุกข์ได้นี่คุณค้าของพระเยบุคคลเบื้องต้นถ้าเราไม่ฝึกเป็นไม่ได้อ่อนวอนไม่ได้เอาเงินเอาทองไปทำบุญทำธรรมมากมายไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกเอาเอง หลวงจึงได้ความรู้ถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้ฝึกแต่เป็นปุตตุชนตลอดพบตลอดชาตินบใช่ความหลงความโกดความทุกข์เป็นเฉลยความหลงเฉลยความทุกข์ความทุกข์ความโกดความรู้คงหลงเป็นโจทชีวิตเราก็เป็นรูปเป็นนามก็ลับใช่ ความโลภความโกรวมหลงเก่ต้นหาเลยไปในคุมข้าถึงต้องฝึกตวนสอนตนนี่เป็นสมบัติของเรามีในโลกในรูปในนามนี่ในหลงไม่มีหลงในทุกไม่มีทุกแต่มีหลงอยู่นั่นเละเป็น การศึกษาแล้วมีทุกอยู่ก็นั่งหลยเราศึกษาแล้วมองดีดีมีจะได้จริงไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นการศึกษาที่เป็นมากเป็นผลเป็นปัญญาจริงไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจบางคนถำามาศึกษากเป็นปัญหาพอพระเจ้าจังเ่ร เพื่อรอบรู้ในกองสังขา น, นี่ชื่อว่าปัญญาเพื่อตั้งใจมั่นจริงเกี่ยวกับจริงที่เกิดขึ้นกับสังขารเป็นศีลเป็นสมาีิเปลี่ยนร้ายเป็นดีเป็นศีลมั่นใจเสมอไม่หลงตรงนี้ เกิดเป็นศีลเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาตรงนี้ได้ศีลตรงที่มันหลงมันรู้เป็นศีลขึ้นมาเหมือนคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายม่จะตีควายเขี้ยนควายหยุดน่วยคิดได้โอ้ตีมันก็เจ็บมันก็ธรรม ด, ดาเหมือนฉอดมันไม่รู้ หยุดตีควายไม่ได้ทำให้ควายเจ็บเป็นสินตรงนั้นไม่ทำบาปทำกรรมทางกายลักสอนสินไม่ได้เวลาไม่จะพูดสมรวมเวลามนจะโกรธจุดใจเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญา้วเจมาว่าเอา สมรรานเอาได้สิน <c oughs> สินนี่มีแล้วสมผัสแล้วจึงว่าออกมาทางปากเป็นสมัยก่อนคนฟังไปฟังธรรมพุทธเจ้าเกิดจดทาได้ฟังแล้วได้เกิดจดทาขึ้นมา เราพากันว่าคุถังชนังขจามิข้าพเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจ้าย่อพ้นจากทุกท้องขวงได้ถือแล้วถึงแล้วตอมังชนังขจามิข้าพเจ้าปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าข้าพเจ้าย่อพ้นจากทุกท้องขวงได้สองขางชนังขจามิข้าพเจ้าจะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควร ก็พระเจ้าจึงปัดพ้นจากทุกต้องปวงได้ณโมตระปะกวาโตขอโนบน้อมเอาคำสอนพระเจ้ามาไดว้เราขอ้โนบโมเราไปถึงคำสอนพระเจ้ามันมีคุณธรรมเราจึงบ้าทีหลังเจ้านี่เราบ้าตามยิ่งเวลาให้ศิลเนี่ยบอก เมื่อกับพระออกสินให้โยมโยมรับสินจากพระมันก็เลยต่างกันก็สมัยก่อนอนู้นน้อยู่ด้านหละโยมมาขอศินพระให้สีนถูกไหมเด็กไอ้ชีวิโยมขอสินพระให้สินถูกไหมไม่ถูกเลยนะบางทีบางคนยังอายคนขอสินนะ บางทีว่าสุลาเมลยังมาจะก เ, ข, เกข้อนี้ไม่เอาหรอกข้อนี้ไม่เอาแล้วานเล่นตโลกกันไม่ใช่พระให้ศินพระบอกเฉงยยอมารับเอาสิตข่าบทนี้จะรับได้นะรับเอาไปไม่ใช่ให้ศินไม่ใช่รับสินบอกการณ์ทปาตาเวลามะื่อไ เจตนาก็เว้นจากการฆ่านะอธินาธานาเวร ม, ม, าราวมณีเจตนาเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้เลยอาเมสุมฉะจาราเวรมณีเจตนาเว้นจากการอพยพผิดในกามทั้งหลายอุศะวะจารเวรมณีเจตนาเว้นการจาง ก, กาดพู้กัน พัมพูดไม่จริงสุาลามละยอมาชับประมาตฐานาเวรมณีจเจตนางดเว้นจากรดื่นสุลามลยอันปฏิตั้งของความประมาทนะถ้าไม่มีเจตนาไม่มีศีลเลยเจตนาหังพิเกเวสีหลังวาัานีมเจตนาตังหากเป็นศีลมหายาเน่ เขาไมรับสินนะครับว่าตนรับสินเนี่ยแว่าล่มเหลวถือว่าวาดล่มเหลวมากรับสินบ่อยๆวันละสองครั้งก็มีรือว่าล่มเหลวมหายานก็ปีหนึ่งรับที่หนึ่งนาะที่บหาศินเคยไปอยู่กับมหายานปีสองปีถึงวันมหาสินเขาจะมากันเต็มเลย บางทีเขายังไม่หลวงพ่อเนี่ยเอาทูบจุดหัวเขาเอาทูตงแดงนียจุดหัวกี้เขาไว้ไม่ลงไปในผิวหนังเป็นแผลเป็นจนมันลอยบางคนออกมาอ้างเลยนี่อาจารย์หนึ่งนี้อาจารย์หนึ่งนี้อาจารย์หนึ่งเกิดห้วนดูดลอยฉ <c oughs> ินเขาอยู่บนหัวเนี่อาจารย์ในสวนอนี้ถือไว้ในหัวนี่ได้ไหมที่ <c oughs> มาเถอะเราบ้านเนี่ยลับฉิ้นบ่อยล้มเหลวหิดฉิ้นบ่อยน่าอ่อยน่โยมเนะี่นยฉินจริงไม่ใช่เจตนามันแล้วไปแล้วคำว่าฆ่าก็หยุดแล้วมืออยู่กับเราเนี่ยคำว่าพูดเท็จกับปากอยู่กับเราเนี่ยเจตนาแล้วเดือนธันาไม่อะไรก็อยู่กับเราเนี่ย ตำรวมักดิว่าจาให้เรียบร้อยก็ชื่อว่าฉินเนี่ยนะยิ่งละหายเจริญสตินี่ยิ่งเป็นศินแล้วแล้วความชั่วแล้วทำความดีจิตบริสุทธิ์แล้ว เ, เอาไหมทอนนี้เ น, ะนะาะนะการภาอมกัน